หรือบางภาคทำคล้ายๆเป็นโครงการหาเนนบวชเลยทีเดียวเรารู้อยู่ว่าเวลานี้ขาดแคลนเนนแต่จะทำได้แค่ไหนเพียงไรยังไม่เป็นเรื่องของการรวมประสานกันทั้งหมดมีแต่ทำเป็นย่อมๆอย่างที่ว่าเมื่อกี้หลายเป็นว่าไม่พร้อมเพียงกันมีวิธีทำสองอย่างคือหนึ่งจัดสภาพสังคมให้เอื้อต่อระบบที่เราต้องการ หรือจัดให้มีวิธีปฏิบัติอย่างนั้นคือทาอย่างไรจะให้มีบวชเนนได้อีกเช่จนจะจัดการศึกษาอย่างไรเพื่อมีทางให้คนที่เรียนเป็นเนนได้ด้วยนี้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือ 2. องเราหาวิธีใหม่จัดขึ้นมาให้เหมาะกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเอาละไม่มีเนรบวชจะใช้วิธีไหนดี